แต่เมื่อกี้นะฟังแอบฟังหมอม่อนนะชอบอันหนึ่งนะหมออยู่ป ะ, ปะกลับไปแล้วเหรอหมอม่อนบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้เนะี่ยชอบออคือภาวนาไม่เอาเข้าตัวไม่ภาวนาเพื่อให้ตัวเองเก่งไม่ภาวนาเพื่อให้ตัวเองดีตรงนี้นะแต่ภาวนาเพื่อบูช า, พ ร, าพระพุทธเจ้าภาวนาเพื่อบูชา พระธรรมภาวนาเพื่อบูชาคุณพระสงฆ์ภาวนาเพื่อบูชาครูบาอาจารย์พอคิดอย่างนี้นะจิตใจมันจะเปิดอ่อนโยนลงถ้าคิดทำยังไงเราจะเก่งเราจะภาวนาแสงชมพูให้ได้เลยชมพูเข้าวัดก่อนเราจะเดี๋ยวเราจะพุ่งป้าดปาดหน้าชมพูเป็นโสดาบันตัดหน้าไปเลยเี้อย่างนีนะ้คิดอย่างนี้นะที่นี้เอาภาวนาเพื่อเอาดีเข้าตัว ให้ตัวเองเก่งให้ตัวเองดีให้ตัวเองพัฒนาเนี่ยนะคิดอย่างนี้มันทำด้วยการเห็นแก่ตัวใจมันจะแคบใจไม่เปิดรับธรรมะแต่คิดว่าภาวนาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้ามันไม่เอาเข้าตัวล้วไม่ได้เอาตัวไม่ได้เอาตัว ต, วตนเป็นหลักเป็นที่ตั้งภาวนาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าใจจะอ่อนโยนล้วเปิดเวลาไปหาครูบาอาจารย์ ท่านถ่ายทอดธรรมะมาในใจก็จะรับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้แต่ใจมันเปิดรับเียกวถ้าไปหาครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดธรรมะแบบจิตสู่จิตเนี่ยนะใจขณะนั้นที่เราเปิดรับโดยที่อ่อนน้อมเลยนะใจจะเรียนรู้ธรรมะที่ท่านแสดงมาเนี่ยเต็มที่เลยไม่ได้เอาเพื่อตัวเองเก่งไม่ได้เอาเพื่อตัวเองดีขอขอบูชาพระพุทธเจ้าขอเรียนรู้ขอ รู้เรื่องจิตรู้เรื่องสภาวะต่างๆเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าขอรักษาศีลเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะใจจะอ่อนโยนอันนี้เป็นเกร็ดธรรมะที่ได้ฟังหมอหมอนเมื่อกี้นี้เดี๋ยวคราวหน้าถ้าจัดอีกนะเดี๋ยวจะแอบ ด, ดูคนอื่นสอนด้วย <c oughs> จะเก็บเก็บเกร็ด ต, ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังได้ฟังคนเก่งๆเนี่ยนะนะเราจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วเราก็ ใจของเราก็จะได้เรียนรู้ในแง่มุมที่แต่ละคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่จําเป็นต้องฟังทุกคนแต่ว่าอาตมาเน้นซนหน่อยอยากจะฟังทั่วๆเผื่อมีประโยชน์มาถ่ายทอดต่อเท่านั้นเองแต่สําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยไม่จําเป็นต้องฟังทั่วๆไป